ชิวหายาตนะรูปที่เป็นชิวหาญาตนะนั้นเป็นไนชิวหาใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับหนึ่งในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สัตว์นี้เคยลิ้มกําลังลิ้มจากลิ้มหรือพึงลิ้มรสที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยชิวหาใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าชิวหาบ้างชิวหาญาตนะบ้างชิวหาธาตุบ้าง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 รูปที่เป็นชิวหายาตนะนั้นเป็นชนชิวหาใดเป็นภาษาธรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่ 4. น, น, นับเนื่องในอัถภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ชิวหาใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจากกระทบหรือพึงกระทบรสที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าชิวหาบ้างชิวหายาตนะบ้างชิวหาธาตบ้าง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 ชิวหาสัมผัสปรารบรถเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาใดเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาเจตนาชิวหาวิญญาณปรารบรถเคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาใดชิวหาสัมผัสมีรถเป็นอารมณ์เคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิด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 รูปนี้ชื่อว่าเป็นชิวหายาตนะกายายาตนะรูปที่เป็นกายายาตนะนั้นเป็นชนิดกายใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สัตว์นี้เคยถูกต้องกําลังถูกต้องจกถูกต้องหรือพึงถูกต้องโพธะะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้ชื่อว่ากายบ้างกายยายตนะบ้างกายยถาตบ้างกายยินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปันทะบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายยายตนะรูปที่เป็นกายยายตนะนั้นเป็นไนกายใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาโพธรูปสี่ นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โภทพะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจะกกระทบหรือพึงกระทบที่กายใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นิชื่อว่ากายบ้างกายญาตนะบ้างกายธาตุบ้างกายยินรี บ, บ, นบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุทบ้างปันธระบ้างเขต บ, บ้างวัตถุบ้าง ฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายายตนะรูปที่เป็นกายายตนะนั้นเป็นไนกายใดเป็นภาษาเธรูปอาศัยมหาภูธรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้กายใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจากกระทบหรือพึงกระทบที่โพธิภพะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ นี้ชื่อว่ากายบ้างกายยัตยตนะบ้างกายยถาดบ้างกายยินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปัญธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายยัตยตนะรูปที่เป็นกายยัตยตนะนั้นเป็นไนกายใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่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 สมุดบ้างปัญธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นกายายตนะรูปายตนะรูปที่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นชนะรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสีที่เห็นได้และประทบได้ได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำ สีงสบาทสีคร้ำสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดเมฆหมอกควันละ อ, องแสงจันทร์แสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมณีแสงสัง แสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพฑูนแสงทองแสงเงินหรือรูปแม่อื่นใดที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสีที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่สัตว์นี้เคยเห็นกำลังเห็นจากเห็นหรือเพึงเห็นรูปใดที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักษุที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารูปบ้างรูปายตนะบ้างรู ป, ประธาตุบ้าง รูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปายตนะรูปที่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไนรูปใดเป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้ได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำสีหงส์ะบาดสีคล้ำสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรี สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดแสงสว่างมืดเมฆหมอกควันละอองแสงจันทร์แสงอาทิตย์แสงดาวแสงประจกแสงแก้วมณีแสงสังแสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพลทูลแสงทองแสงเงินหรือรูปแม่อื่นใดที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสี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 หมอกควันละอองแสงจันทร์แสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมณนีแสงสังแสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพยทูลแสงทองแสงเงินเป็นรูปแม่อื่นที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่รูปใดที่เห็นได้และกระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจกกระทบ หรือพึงกระทบที่จักษุใดซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารูปบ้างรูปายตนะบ้างรูปธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปายตนะรูปที่เป็นรูปายตนะนั้นเป็นไนรูปใดที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสีเป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้ได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาว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 แสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพฑูนแสงทองแสงเงินหรือรูปแม่อื่นใดที่เป็นสีต่างๆซึ่งอาศัยมหาภูตรูปสีเป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่เพราะปราบรบรูปใดจักขุสัมผัสอาศัยจักสุเคยเกิดกําลังเกิดจะกเกิดหรือพึงเกิดเพราะปรารบรูปใดเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาเจตนา จักขวิญญาณอาศัยจักสุเคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดจักขุสัมผัสมีรูปใดเป็นอารมณ์อาศัยจักสุเคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาเจตนาจักขวิญญาณมีรูปใดเป็นอารมณ์อาศัยจักสุเคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิด นิชื่อว่ารูปบ้างรูปายตนะบ้างรูปประาธาต์บ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรูปายตนะสัท ธ, ธายตนะรูปที่เป็นสัท ธ, ธายตนะนั้นเป็นไนเสียงใดอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่เป็นเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่เสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันาะเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกรับ เสียงปรบมือเสียงร้องของสัตว์เสียงกระทบกันแห่งธาตุเสียงลมเสียงน้ําเสียงมนุษย์เสียงอัมนุษย์หรือเสียงแม่อื่นใดอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่สัตว์นี้เคยฟังกําลังฟังจากฟังหรือพึงฟังเสียงใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตะประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าสัทธะบ้าง ศัธยตนาบ้างศัธธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นสัธยตนารูปที่เป็นสัธยตนานั้นเป็นไหนเสียงใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่เสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดอเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกลับเสียงปรบมือเสียงร้องของสัตว์เสียงกระทบกันของธาต์ เสียงลมเสียงน้ำเสียงมนุษย์เสียงอามนุษย์หรือเสียงแม่อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่โสตะปัสสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจา ก, กระทบหรือพึงกระทบที่เสียงใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าสัทธะบ้างสัทยาตนะบ้างสัทธธาบ้าง รูปนี้ชื่อว่าเป็นสัทธายตนะรูปที่เป็นสัทธายตนะนั้นเป็นไนเสียงใดอาศัยมหาภูติรูปสีที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่เสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันเดาะเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกรับเสียงปรบมือเสียงร้องของสัตว์เสียงกระทบกันของธาตุเสียงลมเสียงน้ําเสียงมนุษย์เสียงอมนุษย์ หรือเสียงแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เสียงใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจากกระทบหรือพึงกระทบที่โสตประสาทาาที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าสัทธะบ้างสัทยตนะบ้างสัททธาบ้า ง, ธาธาางรูปนี้ชื่อว่าเป็นสัทยตนะ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 หรือเสียงแม่อื่นใดาอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เพราะปรารบเสียงใดโสตะสัมผัสอาศัยโสตะประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเพราะปรารบเสียงใดเวทนาที่เกิดแต่โสตะสัมผัสสัญญาเจตนาโสตะวิญญาณอาศัยโสตะประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิด โสตสัมผัสมีเสียงใดเป็นอารมณ์อาศัยโสตประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดที่เกิดแต่โสตสัมผัสสัญญาเจตนาโสตวิญญาณมีเสียงใดเป็นอารมณ์อาศัยโสตประสาทเคยเกิดกำลังเกิ ด, กดจกเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าสัทธะบ้างสัทธายตนะบ้างสัทธธ า, ธาตุบ้าง รูปนี้ชื่อว่าเป็นสัทธายตนะคันทายตนะรูปที่เป็นคันทายตนะนั้นเป็นชนิดกลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่กลิ่นรากไม้กลิ่นแกนไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นบูดกลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นแม่อื่นใดซึ่งอาศัยมหาภูติรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่สัตว์นี้เคยดมกําลังดมจักดมหรือพึงดมกลิ่นใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยคานะปสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคันธะบ้างคันทายตนะบ้างคันท่าธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคันทายตนะรูปที่เป็นคันทายตนะนั้นเป็นไน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 เคยกระทบกำลังกระทบจากกระทบหรือพึงกระทบที่กลิ่นใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าคันทะบ้างคันทายตนะบ้างคันท่าธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคันธายตนะรูปที่เป็นคันธายตนะนั้นเป็นไนกลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่กลิ่นรากไม้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 กลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแม่อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เพราะปรารกกลิ่นใดคานสัมผัสอาศัยคานประสสะเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเพราะปรารกกลิ่นใดเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสสัญญาเจตนาคานวิญญาณอาศัยคานประสาทเคยเกิด กำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดคานะสัมผัสมีกลิ่นใดเป็นอารมณ์อาศัยคานะประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่คานะสัมผัสสัญญาเจตนาคานะวิญญาณมีกลิ่นใดเป็นอารมณ์อาศัยคานะประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดน้ชื่อว่าคันทะบ้างคันทายตนะบ้าง พันธธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นคันธายตนะรัายญตนะรูปที่เป็นรัายญตนะนั้นเป็นไ น, นรถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรถที่เห็นไม่ได้แต่กระทกได้ได้แก่รถรากไม้รถลำต้นรถเปลือกไม้รถใบไม้รถดอกไม้รถผลไม้รถเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มคืน เฟื่อนาดอร่อยไม่อร่อยหรือรสแม้อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่สัตว์นี้เคยลิ้มกำลังลิ้มจากลิ้มหรือพึงลิ้มรสใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยชิวหาประสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารสบ้างรัศยตนะบ้างรถถาธัธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรัายตนะ รูปที่เป็นรัายตนะนั้นเป็นไนรสใดอาศัยมหาภูตารูปสี่เป็นรสที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่รสรากไม้รสลำต้นรสเปลือกไม้รสใบไม้รสดอกไม้รสผลไม้รสเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มคื่นเฟื่อนฝาดอร่อยไม่อร่อยหรือรสแม้อื่นใด อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่คิวหาปัสสาทที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจากกระทบหรือพึงกระทบที่รถใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นิชื่อว่ารถบ้างรัายตนะบ้างรถถาัศธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรัายตนะรูปที่เป็นรัายตนะนั้นเป็นไน รถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรถที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ได้แก่รถรากไม้รถลำต้นรถเปลือกไม้รถใบไม้รถดอกไม้รถผลไม้รถเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มฝืนเฟื่อนฝาดอร่อยไม่อร่อยหรือรถแม่อื่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่ รถใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจากกระทบหรือพึงกระทบที่ชิวหาปราสาทซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่ารถบ้างรสายตนะบ้างรัธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรสายตนะรูปที่เป็นรสายตนะนั้นเป็นไนรถใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรถที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ได้แก่รสรากไม้รสลำต้นรสเปลือกไม้รสใบไม้รสดอกไม้รสผลไม้รสเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มขื่นเฟื่อนฝาดอร่อยไม่อร่อยหรือรสแม้อื่นใดซึ่งอาศัยมหาภูต ร, รูปสี่ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เพราะปรารบรสใดชิวหาสัมผัสอาศัยชิวหาประจาทเคยเกิดกำลังเกิด จะเกิดหรือพึงเกิดเพราะปรารบรถใดเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาเจตนาชิวหาวิญญาณอาศัยชิวหาประสาเคยเกิดกําลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดชิวหาสัมผัสมีรถใดเป็นอารมณ์อาศัยชิวหาประสาทเคยเกิดกําลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสสัญญาเจตนา คิวหาวิญญาณมีรถใดเป็นอารมณ์อาศัยชิวหาประสาทเคยเกิดกาลังเกิดจะกเกิดหรือพึงเกิดน้ชื่อว่ารถบ้างรสายตนะบ้างรัศธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นรสายตนะอิทธินีรูปที่เป็นอิทินีนั้นเป็นไนสวนทรงหญิงเครื่องหมายประจาเพศหญิงยูริยาหญิงอาการหญิง สภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีรูปนี้ชื่อว่าเป็นอิทธินีปุริสินีรูปที่เป็นปุริสินีนั้นเป็นไนส่วนทรงชายเครื่องหมายประจำเพศ ช, ชายิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษรูปนี้ชื่อว่าเป็นปุริสินีชีวิตินีรูปที่เป็นชีวิตินีนั้นเป็นไนอายุ ความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่เสืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิติตนทรีแห่งสภาวะธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นรูปนี้ชื่อว่าเป็นชีวิตินทรีสกายวิญยัตรูปที่เป็นกายวิญยัตนั้นเป็นไนความเข้มแข็งกิริยาที่เข้มแข็งด้วยดีภาวะที่เข้มแข็งด้วยดี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 ความไม่หนักแข็งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นลหุตารูปมุทุตารูปรูปที่เป็นมุทุตารูปนั้นเป็นไนความอ่อนภาวะที่อ่อนความไม่แข็งความไม่กระด้างแข่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นมุทุตารูปกรรมัญญาตารูปรูปที่เป็นกรรมัญญาตารูปนั้นเป็นไนความควรแก่การงานกุริยาที่ควรแก่การงาน ภาวะที่ควรแก่การงานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นกรรมบรญยตารูปอุปจยะรูปรูปที่เป็นอุปจยะรูปนั้นเป็นไนความแรกเกิดแห่งอายตนะนั้นเป็นความเกิดขึ้นแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปจยะรูปสันตติรูปรูปที่เป็นสันตติรูปนั้นเป็นไนความเจริญแห่งรูปนั้นเป็นความสืบต่อแห่งรูป รูปนี้ชื่อว่าเป็นสันตติรูปชรตารูปรูปที่เป็นชรตารูปนั้นเป็นไนความชราวความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหียวความเสื่อมอายุความงอมแห่งอินทรีย์แห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นชรตารูปอนิจจารูปรูปที่เป็นอณิจจารูปนั้นเป็นไน ความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทำลายความไม่เที่ยงความอันตรธานแห่งรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอนิจจารูปกรวิลีนการาหาร ร, รูปรูปที่เป็นกรวิลีนการาหานั้นเป็นไนข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดนมสม้มเนยใสในยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อย รรูปแม่อื่นมีอยู่ที่พึงกินทางปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้องซึ่งมีโอชาเป็นเหตุให้สัตว์ในสถานที่นั้นๆดำรงชีพอยู่ได้รูปนี้ชื่อว่าเป็นเกวลีงกระราหารรูปนี้ชื่อว่าเป็นอุปาไทายรูรปอุปาทาพาชนีจบปฐมพาณวาระในรูปปกัน์จบ ธารูปรูปที่ไม่เป็นอุปาทายรูปนั้นเป็นไนโพธภายตนะและอาปโปธาตุโพธพายตนะรูปที่เป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไนปัทวีธาตัตโชธาตวาโยธาที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาสัตว์นี้เคยถูกต้องกําลังถูกต้องจากถูกต้อง หรือพึงถูกต้องโผฏฐะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เลือกกายยะปสาที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโผฏฐะบ้างโผฏฐายตนะบ้างโผฏฐะธาตุบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโผฏฐายตนะรูปที่เป็นโผฏฐายตนะนั้นเป็นไนปัทวีธาตเตโชธาวาโยธาที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุข มีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบากายที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกำลังกระทบจากกระทบหรือผพ่นกระทบที่โพธะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้ชื่อว่าโพธะบ้างโพธะายตนะบ้างโพธะะธาตบ้างรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธภายตนะรูปที่เป็นโพธภายตนะนั้นเป็นไน พัทวีธาตเตโชธาตวาโยธาที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาโพธภะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจะกกระทบหรือพึงกระทบที่กายปยปสากที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นีิชื่อว่าโพธภะบ้างโพธภายตนะบ้างโพธพะธาตบ้าง รูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธพายตนะรูปที่เป็นโพธพายตนะนั้นเป็นไนปัทวีธาตเตโชธาติวายโธธาที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเป็นทุกข์หนักเบาเพราะปรา ร, โรพโภถภะใดกายสัมผัสอาศัยกายภาษาทรูปเคยเกิดกําลังเกิดจะกเกิดหรือพึงเกิดเพราะปรา ร, โรพโภถภะใด เวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนากายวิญญาณอาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดกายสัมผัสมีผลทพะไดเป็นอารมณ์อาศัยกายประสาทเคยเกิดกำลังเกิดจกเกิดหรือพึงเกิดเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสสัญญาเจตนากายวิญญาณมีผลทพะไดเป็นอารมณ์อาศัยกายประสาท เคยเกิดกำลังเกิดจะเกิดหรือพึงเกิดนี้ชื่อว่าโพธะะบ้างโพธภายตนะบ้างโพธภะธาบ้า ง, ภภาาางรูปนี้ชื่อว่าเป็นโพธภายตนะอาโปธาต์รูปที่เป็นอาโปธาต์นั้นเป็นไนความเอิบอาบธรรมชาติที่เอิบอาบความเหนียวธรรมาชาติที่เหนียวธรรมาชาติเป็นเครื่องเกาะปุ่มรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นอาโปธาต รูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูปปุปาทินนรูปรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือนั้นเป็นไนจากขายาตนะโสตายญตนะคานายญตนะชิวหายญตนะกายญายตนะอิทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายญตนะคันทายญตนะรษายญตนะ โธภธพายัตนะอากาจธาตุอโปธาตุโอปจยารูปสันติตรูปและกาวลิงราหานอันกรรมแต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออนุปาทินะรูปรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือนั้นเป็นไงสัทธา ย, ายตนะกายวินยัตวจีวินยัตและหุตารูปมุทุตารูป กรรมมัญจตารูปชระตารูปและอนิจจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปปายตนะคันทายตนะรษ า, ายตนะโพธพายตนะอากาศะธาอาโปาธาปุปัจยะรูปสันตติรูปและเกวรินกราหานอันกรรมไม่ได้แต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ อุปาทินุปาทานิยรูปรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไนจะขาญตนะกายายตนะอิทินสีปุริสินสีและชีวิตินสีหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปาาตนะคันทายตนะรษ า, า, ายญตนะโพธพายตนะอากาสธาติอโปธาตอุปัจยรูป สันตติรูปและกะวลนิกราหานอันกรรมแต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอนุปาทินุปาทานิยรูรูปที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานนั้นเป็นไงนสัทธายตนะกายวิญญาตวจีวิญญัตและหูตารูมุทุตารู กรรมัญจตารูปชรตาตารู ป, รรปและอนิจจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ได้แก่รูปายตนะคันทายตนะรส า, ายตนะโพธพายตนะอากราศะธาต์อาโปาธาต์อุปัจยรูปสันติรูปและกาวลิงกะราหานอาหารคือคำข้าวอันกรรมไม่ได้แต่งขึ้นรูปนี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบได้ตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสนิทัศนารูปรูปที่เห็นได้นั้นเป็นไนรูปายตนะรูปนี้ชื่อว่าเห็นได้อณิทัศนารูปรูปที่เห็นไม่ได้นั้นเป็นไนจากขายาตนะละถึงกาวลิงกะราหานรูปนี้ชื่อว่าเห็นไม่ได้สัพติเครรูปรูปที่กระทบได้นั้นเป็นไนจากขายาตนะ โสตยตนะภาณยตนะชิวหายตนะกายายตนะรูปายตนะสถายตนะคันทายตนะรส า, ายตนะและโผฏพายตนะรูปนี้ชื่อว่ากระทบได้อปัติค่ารูปรูปที่กระทบไม่ได้นั้นเป็นไงอิทินสีและถึงโกวลีนกราหาน ร, รูปนี้ชื่อว่ากระทบไม่ได้อินชริยะรูป รูปที่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไนจากขุนศีโสตินรีภาณินรียชิวหินรีกายินรีอิทธินรีปุริสินศีและชีวิตินรีย์รูปนี้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์อนินทริยารูปรูปที่ไม่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไนรูปายะตนะและถึงกวริณกะราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นอินทรีย์มหาภูตรูป รูปที่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนโพธภายตนะและอาโปธาตรูปนี сама, ้ชื่อว่าเป็นมหาภูตรูปหน้ามหาภูตรูปรูปที่ไม่เป็นมหาภูตรูปนั้นเป็นไนจักขายตนะและถึงกัวลิงกะราหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นมหาภูตรูปวินยติรูปรูปที่เป็นวินยติรูปนั้นเป็นไนกายวินยตและวจีวิญัต รูปนี้ชื่อว่าเป็นวิญญัติรูปณวิญญัติรูปรูปที่ไม่เป็นวิญญัติรูปนั้นเป็นไนจากขาญตนะและถึงกวาเลียนกราหานรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นวิญญัติรูปจิตตสมุทฐานะรูปรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานนั้นเป็นไงกายวิญยติและวิจีวิญญัติหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุ มีจิตเป็นสมุทฐานได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันทายตนะรส า, ายาตนะโพธพายตนะอากาสาธาติอาโปาธาติละหุตารูปมุทุตารูปกรร ม, มัญญตารูปอุปัจยารูปสันตติรูปและกวริกราหารรูปนี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุทฐานณจิตตะสมุทฐานรูป รูปที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานนั้นเป็นไนจากขายัตนะละถึงกายายตนะหิฐินสีปุริสินสีชีวิติน4ีชรตารูปและนิจตารูปหรือรูปแม่อื่นมีอยู่ที่ไม่เกิดจากจิตไม่มีจิตเป็นเหตุไม่มีจิตเป็นสมุทฐานได้แก่รูปายัตนะสัตทายัตนะคันทายัตนะรสายัตนะโพธพายตนะ อากาสะธาตุอาโปาธาตุและหุตารูปมุทุตารูปกรร ม, มัญญตารูปอุปจยะรูปสันตติรูปและกรวิงกราหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุทฐานจิตตสหภูรูปรูปที่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไงนกรยะวิญยัติและวิจีวิญญัติรูปนี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิตนะจิตตสหภูรูป รูปที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตนั้นเป็นไนาจากขาญตนะละถึงกวลิงการาหาน ร, รูปนี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิตจิตตานุปริวัติรูปรูปที่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไนากายวิญญัติและวจีวิญญัต ร, รูปนี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิตในจิตตานุปริวัติรูปรูปที่ไม่เป็นไปตามจิตนั้นเป็นไนาจากขายาตนะ ละถึงกวโรลิงกราหารรูปนี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิตอชจชติกะรูปรูปที่เป็นภายในนั้นเป็นไฉไหนจากขายาตนะละถึงกายญาตนะรูปนี้ชื่อว่าเป็นภายในพาหิระรูปรูปที่เป็นภายนอกนั้นเป็นไฉไหนรูปายญตนะละถึงกวโรลิงกราหารรูปรูปนี้ชื่อว่าเป็นภายนอก โอลาฤกรูปรูปหยาบนั้นเป็นไนจากขายาตนะละถึงโธทพายญตนะรูปนี้ชื่อว่ารูปหยาบสุขุมมรูปรูปละเอียดนั้นเป็นไนอิถินสีละถึงกาวลิงกราหานรูปนี้ชื่อว่ารูปละเอียดทุเรรูปรูปไกลนั้นเป็นไนอิทินสีละถึงกวลิงกราหาน รูปนี้ชื่อว่ารูปไกลสันติเกรูปรูปใกล้นั้นเป็นไนาจากขาญตนะละถึงโพธพายตนะรูปนี้ชื่อว่ารูปใกล้ปกินะ ก, กะทุ ก, กะจบ